การปฏิบัตินะ่ะมันเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านการฟังนะเราเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเอายิ่งคิดเอานี้ยิ่งเลอะเทอะมากขึ้นเรียนได้ด้วยการเห็นเอานะเห็นด้วยญาณทัศนะไม่ใช่เห็นด้วยตาอย่างเรารู้สึกร่างกายเราเนี้ยลองหลับตาเราสิลองหลับตานะทุกคน รู้สึกไม่ร่างกายนั่งอยู่เนี่ยลองไปยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าเนี่ยเราเห็นด้วยความรู้สึกนะเราไม่ได้เห็นด้วยตาความรู้สึกในใจเราก็รู้ด้วยความรู้สึกเหมือนกันใจเราสุขใจเราทุกใจเราเป็นยังไง ร, รู้สึกเราไม่ใช่นั่งคิดว่าตอนนี้ใจเราเป็นยังไง อย่างตอนเนี้เรารู้สึกร่างกายนั่งเป็นแค่รู้สึกไม่ใช่คิดว่า้าตอนนี้ร่างกายเป็นยังไงตอนนี้ร่างกายนั่งหรือยืนหรือเดินอย่างอย่างนี้นฟุงซ่านนะก็แค่รู้สึกเข้าไปตรงๆเท่านั้นเองร่างกายมันนั่งก็รู้ร่างกายมันหายใจก็รู้ร่างกายมันพยักหน้าก็รู้ะมันขยับก็รู้มันหายใจก็รู้ работает. แค่แค่รู้สึกรู้สึกไป รู้สึกไปแล้วก็ค่อยสังเกตนะต่อไปก็จะค่อยยกระดับความรับรู้ขึ้นไปอีกตรงที่เรารู้สึกกายรู้สึกใจ เ, เรียกเราระลึกรู้กายระลึกรู้ใจคือมีสติสติเป็นตัวระลึกรู้ือแค่ตัวรู้สึกนั่นแหละค่อยรู้สึกไว้แล้วต่อไปก็เกิดปัญญา รู้ด้วยปัญญาในพวกเราตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมตัวที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ร่างกายที่นั่งอยู่เป็นของถูกรู้ดูลงไปซีใช่ไหมหรือร่างกายเป็นตัวผู้รู้ถ้าอางนนเพียนแล้วร่างกายมันของถูกรู้ถูกดูอยู่อะไรที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเหรอก มองออกไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะคิดเยอะไปนะบอกแล้วให้รู้สึกเอาไม่ใช่ให้คิดเอานะ <laughs> เวลาปฏิบัติเนี่ยนะเรามีสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจนะมีสติคอยรู้ไปมีใจตั้งมั่นเป็นคนดู งั้นมันจะเกิดผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แยกออกจากกันลองขยับมือสิลองขยับมื อ, อ, มอนะรู้สึกไหมร่างกายที่เคลื่อนไหวมันถูกรู้มันถูกรูนะ้อย่าไปบิดเบือนตัวรู้ให้มันแข็งแข็งเครียดเครียดนะตัวรู้ก็เป็นปกติตัวรู้ธรรมดานี่รู้สึกไปธรรมดา เน ร, รู้สึกไหมร่างกายที่ขยับอยู่ไม่ใช่ตัวเราไปฝึกนะค่อยๆฝึกทีแรกก็แค่ฝึกรู้สึกรู้สึกร่างกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายต่อมาก็ค่อยๆเห็นที้ร่างกายที่เรารู้สึกอยู่เนี้ยมันเป็นของถูกรู้ถูกดูนะใจที่เป็นคนรู้คนดูอยู่ตะางหาก แต่อย่าไปหาตัวใจที่เป็นผู้รู้ไม่ต้องเที่ยวค้นกว้าว่าตัวผู้รู้มันอยู่ตรงไหนแค่เห็นว่าร่างกายมันถุกรู้ขั้นแร ก, กสุดมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายต่อมาก็เห็นร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดู ถ้าเห็นอย่างนี้ได้ไม่นานไม่นจะเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นได้เองพูดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจต้องลงมือทำเันะ็นธรรมารเรียนไม่ได้ด้วยกันฟังแล้วทำไมหลวงพ่อพูดได้เยอะแยะหลวงพ่อภาวนาครูบาอาจารย์สอนอ่านพระไตรปิฎกเนีรยนี้ แล้วก็เอกไปภาวนาเอามันก็เห็ น, นเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกแค่เห็นแล้วนะก็ต่อมาเราก็เห็นร่างกายมันถูกรู้ถูกดูแต่ไปไมันจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราไม่ฝึกซ้อม ไม่มีวันเห็นแล้วมันก็จะหลงผิ ด, ดเรื่อยๆว่าร่างกายคือตัวเราจำได้ไหมที่บอกนี้ขัน้นแรกมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายนะร่างกายมันทําอะไรก็รู้สึกมันเคลื่อนไหวรู้สึกหายใจรู้สึกที่ไม่หยเพ่งมันแค่รู้สึก รู้สึกไปรู้สึกไปแล้วก็เราจะเห็นนะร่างกายมันเป็นของถุกรู้ตุกดูแล้วถัดจากนั้นมันจะรู้ด้วยใจนะว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราให้เวลา 2-3 งสามนาทีลองทำดูซิอย่าตั้งท่าผมบอกให้ลองทำนะ <c oughs> มานยามาแล้วมานยาจำปลอม ตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมใครไม่รู้ว่าร่างกายนั่งอยู่มีไหมให้ปรึกษาจิตแพทย์นะของง่ายๆอย่างนี้ไม่รู้ก็เพียนแล้วเห็นไหมร่างกายมันนั่งอยู่เห็นไหมร่างกายมันหายใจอยู่นะเห็นไหมร่างกายที่นั่งร่างกายที่หายใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ ไม่ต้องหาว่าตัวรู้อยู่ที่ไหน่ะเห็นร่างกายเป็นของถูกรู้ไปเรื่อยๆนะแล้ว ถ, ถึงจุดหนึ่งนีปัญญาจะเกิดจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราตรงที่เราเห็นร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูเนี่ยถ้าพูดให้ฝ่ายปริยัตเขารู้เรื่อง มันคือนามรูปปริเฉทยานการแยกรูปนามาน้นถ้าหลวงพ่อพูดภาษาไทยธรรมดาเดี๋ยวพวกเรียนมากมันจะสงสัยเติมภาษาแขกซะหน่อยคำไหมคำรู้ว่าคำรู้แบบเดียวกับที่รู้กายนั่นแหละแค่รู้สึก นั่งอยู่รู้ว่านั่งาหายใจอยู่รู้ว่าหายใจตรงนี้ยังไม่เป็นวิปัสนาตรงที่เห็นร่างกายมันนั่งร่างกายหายใจเป็นของถูกรู้ถูกดูอันนี้เป็นปัญญาเบื้องต้นปัญญาขั้นแรกเลยจะเห็นว่ากายกับใจมันแยกออกจากกันไม่ต้องจงใจแยกตรงนี้ภาษาปริยัต เรียนามรูปปริเชต ย, ยานนะร่างกายมันจะเป็นยังไงมันจะนั่งหรือมันจะกระดุกกระดิกอะไรเงี้ยเพราะอะไรพระจิตมันสั่งนะนั้นร่างกายเคลื่อนไหวเพราะจิตมันสั่งตรงนี้เป็นปัญญาที่ขยับสูงขึ้นอีกนิดนึงนะเรียกปัจจยะปริาหายาน เเห็นร่างกายมันทำงานไปเรื่อยๆแลกใจมันก็ค่อยจงใจเข้าไปดูว่าเฮ้ยร่างกายมันคองถูกรู้ถูกดูนะไม่ใช่ตัวเราของเราตรงนี้ก็ยังไม่ถึงวิปัสนาเรียกว่าสัมมาสนาญาณเห็นความเป็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเอาเห็นไหมที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้สั้นๆง่ายๆอ่ะ จะสอนให้มันยากก็ได้แต่มันทำไม่ได้หรอไม่รู้เรื่องนี่ต่อไปใจมันระลึกได้ร่างกายนี้มันไม่ใช่เรานะเห็นนีมตัวนี้ขึ้นอุทยพยัญญาณละขึ้นวิปั ส, สนาละเป็นการเห็นไตรลักษณ์พอเห็นร่างกายเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะ รู้สึกเอาแค่รู้สึกเอาว่ามันไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่คิดเอาขั้นแรกคิดก่อนอย่างคิดว่านี่ร่างกายเป็นของถูกรู้ถู ก, กดูอะไรองี้ต่อไปไม่ได้คิดแต่มันรู้สึกเอาร่างกายนี้ไม่ใช่เราแล้วต่อไปกำลังสมาธิไม่พอกำลังสมาธิตก กำลังสมาธิตกวิปัสสนูพกิเลสจะแทกเนี่ยพูดให้ยากก็ได้ไม่ใช่พูดไม่เป็นพูดให้ปฏิบัติแล้วก็ยิ้มสิเห็นไหมนีม่ปฏิบัตินะยิ้มหวานอยู่ในแมสก็ยิ้มได้ไม่ต้องถอดหรอกหลกงพ่อไม่ได้อยากดูเนี่ย <laughs> หัวล้อรู้สึกไหม เวลาเบล้ร่างกายก็โยกโยกหน่อยๆอะไรเงี้ยร huh okay ู้สึกเนี um ่ยรู้สึกถึงร่างกายนะต่อไปก็ยกระดับการรู้สึกร่างกายนี้มันถูกรู้สึกนะร่างกายนี้มันถูกรู้เนี่ยร่างกายที่ยิบมนี่ยมันถูกรู้ร่างกายที่พยักหน้ามันถูกรู้ร่างกายที่หายใจมันถูกรู้เนี่ยค่อยๆดูไปต่อไปจะเห็นเลยของที่ถูกรู้ไม่ใช่เรา เคยเห็นแก้วน้ำเป็นเราบ้าง ม, มีแหมไม่หรอกเห็นก็บ้าแล้วค่อยๆฝึกไปจ่ใจแรงไปนะใจมันชันนั่น ห, หนูที่นั่งแถวหน้าหนูแพนด้าเนี้ยขาดสติแล้วนั่งแล้วเคลิมอันนี้เรียกขาดสติเห็นไหมมีกายก็ชักจะลืมมันไปแล้วเะนเดินปัญญาไม่ได้ไม่มีสติเห็นจิตที่สายไปมาไหม จิตมันขยับไปขยับมาถ้าเห็นจิตมันขยับได้ก็ใช่ได้ดูจิตไปเลยถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายก่อนวันนี้หลวงพ่อสอนแบบขั้นง่ายเลยนะขั้นดูกายถ้าดูจิตได้ ล, ล้วก็ดูจิตเข้าไปเลยปีสองห้าลวงพ่อไปเรียนกั่หลวงพูดุล ท่านบอกหลวงพ่อช่วยตัวเองได้แล้วในเวลาเจ็ดเดือนหลวงพ่อออกไปดูที่โน้นที่นี่สำนักต่างๆแล้วพบอย่างหนึ่งว่าครูบาอาจารย์ที่ดีๆที่ดีๆนะวงเล็บไว้ด้วยที่ท่านสอนคนส่วนใหญ่เนี่ยท่านสอนเรื่องกายท่านพุทธทาสสอนอานาปณสติสิบหขั้น ไม่มีใครทำได้หรอกไม่ผ่านขั้นที่สี่ขั้นที่สี่คือหยุดหายใจลมหายใจระ ง, งับเนี่ยสายท่านพุทธทาสนะลงมือปฏิบัติก็กายฟองยุบก็กายทางโกเอนก้าเริ่มต้นอนาปนสติก็กาย หลวงพ่อเทียนขยับมือก็กายพองยบก็กายเดินจงกรมก็กายอีกสายวัดป่าพุโทโธแล้วพิจารณากายก็กายอีกแล้วก็งง ง, งนิดนึงทำไมเขาเรียนกายกันหลวงปูส่สอนหลวงปู่ ด, ดุลสอนหลวงพ่อเข้าที่จิตเลยเก็บความสงสัยไหม ก็ดูคนที่ดูกายแล้วพาวนาดีก็มีพัวนาดีก็มีพระนาไม่ดีก็มีก็เหมือนกันตอนหลังก็เห็นนะพวกดูจิตดูจิตถูกก็มีนะดูจิตผิดก็มีกลับไปถามหลวงปู่ดุลเอาข้อข้องใจไปถามหลวงปู่ดุลบอกท่านบอกหลวงปู่ครับผมไปดู ที่เขาปฏิบัติกันนะเข้าไปสำนักไหนสำนักไหนครูบาอาจารย์สอนแต่เรื่องกายนะผมจะต้องย้อนกลับไปดูกายเหมือนคนอื่นเขาไหมทนะามหลวงปู่บอกว่าเนี่ยผมไปดูคนอื่นเขาปฏิบัตินะเขาดูกายกันแล้วผมจะต้องย้อนไปดูกายเหมือนคนอื่นไหม หลวงพ่ดูลันหันมามองหน้าหลวงพ่อนะแบบมองแบบรู้สึกสังเวชท่าทางสงสารว่าทาไมโง่อย่างงี้มองด้วยสายตายท่านก็บอกว่าที่เขาดู ก, กายเพื่อให้เห็นจิตดู ก, กายเนี่ยเพื่อให้เห็นจิตก็เมื่อเราเข้าถึงจิตแล้ว จะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งถ้าว่ากายเป็นของทิ้งจริงไหมจริงภาวนาอยู่ยจริง่็ทิ้งกายไปที่โลกธาตุดับไปเลยนะโลกทั้งโลกยังหายไปเลยร่างกายเขาหายไปหมดนะมันทิ้งไปตั้งนานแล้วนีท่านบอกว่าเขาดู ก, กายนะเพื่อจะได้เห็นจิต ก็เม่เข้ามาถึงจิตแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งอย่าหลวงปู่ดูลใช้สำนวนอย่างนี้หลวงปู่ดูลสิ้นไปนานหลายปีนะหลวงพ่อไปเจอหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตสุวัจโจตอนนั้นท่านมาอยู่วัดป่าจอมพระหลวงพ่อก็ไปกราบท่านท่านก็พาเดิน ท่านบอกเนี่ยท่านเพิ่งซื้อที่เพิ่มนะมันเป็นป่าก็เลยมาซื้อต่อจากที่วัดไปขยายวัดออกไปจะได้มีป่าเยอะๆนะแล้วท่านก็พาหลวงพ่อเดินดูไปช่วงหนึ่งนะอยู่กันสองคนนะคนนึ่นเ้าหมดจะไปดูป่าจริงๆนะเราเดินตามท่านไปดูหลกป่านะท่านก็ไปนั่งใต้ต้นไม้หลวงพ่อก็ไปนั่ง ข้างๆท่านท่านก็นั่งกับพื้นเลยนะเราก็นั่งอาจารย์นั่งไม่นไยืนหัวโดอยู่ได้ไงท่านนั่งเราก็นั่งเพื่อนก็เพื่อนท่านก็สอนพระพุทธเจ้าประสูตรในป่าตรัสรู้ในป่าปรินิพพานในป่าอยู่ใต้ต้นไม้เราภาวนาใต้ต้นไม้สบายเสรแล้วท่านก็สอนอีกนะว่า หลวงปู man, pa, ang, hai, Morocco, so ่ม um, um, ันสอนท่านท่านเคยเข้าไปหาหลวงปุ่มันถามท่านว่าท่านไปเดียกับหลวงปุ่มั่นหรือเปล่าเพราะท่านเป็นลู้สึษยหลวงปุ่ฟั่นท่านบอกท่านได้เข้าไปหาหลวงปุ่มั่นหลวงปุ่มั่นสอนท่านบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ให้ทําสมถะ ทำสมถาเพื่อให้มีกำลังไปดูกายดูจิตดูกายเพื่ออะไรดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่ออะไรดูจิตเพื่อให้เห็นธรมรมกุโสรธรรมมาคุศสรธรรมกระทั่งโลกุตรธรธรมเกิดที่จิตเท่านั้นเองไม่ด้เกิดที่อื่นท่านสอนในนี้เลยนึกใต้นะ่ะตัวนี้หลวงพู่ดเดินก็เคยสอนหลวงพ่อว่าธรรมะ แปดหมสี่พันพระธรรมคันออกจากจิตนี่เองนเราภาวนานะสุดท้ายมันก็เข้ามาที่จิตถ้ายัางเข้ามาที่จิตไม่ได้ ด, ดูกายดูกายดูยังไงดูอย่างที่หลวงพ่อสอนตะกีเนี่ยยิ้มสิยิ้มยิ้มหวานทําไมบอกชอบบอกให้พวกเรายิ้ม าพวกเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนี่ต้องเคร่งเครียดนักปฏิบัติต้องเครียดต้องขมหลวงพ่อก็ทำเป็นว <c oughs> ะหลบถิง้งเมื่อกี้หัวละรู้สึกไหมบอกให้ยิ้มก็หัวละนะทำเกินที่สั่งหัวละอีกแล้ว ทำไมให้ยิ้มทำไมให้ผัระให้ใจมันผ่อนคลายนะถ้ามันเครียดมากทำไงเครียดจัดวันนี้เครียดจัดนะเมียดาทำไงดียิ้มนะยิ้มไม่ออกอนะ่นะเมียดากลุ้มใจมากถอนหายใจถอนใจเป็นไหมเลือเของอีแก่ อย่างเงี้ยนะเ อ, อเวลากรุ่มใจแล้วถอนใจรู้สึกไหมใจจะคลายเนี่ยหลักปฏิบัตินะักขั้นต้นนะ่ะให้ใจมันคลายเอาใจเครียดเครียดไปภาวนาสมาธิไม่เกิดถ้ามีใจที่ผ่อนคลายเครียดเครียดก็ถอนใจไปเลยคนก็ไม่นับถือรู้สึกถักกรรมฐ า, านอะไรว่าถอนใจเพื่อเพื่อไม่น่านับถือช่างมัน่นไม่ได้เปิดให้คนนับถือ หลวงพ่อสอนพวกเรารู้สึกสอนยากชิบหายเลยใ่ยเ<ซ><ก>นี้ยเอิถอนใจอ้าใจโลง่งนะภาวนาต่อได้เนะนี่ยใจผ่อนคลายแล้วนะนเห็นไหมร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมพยักหน้าสิเนี่ยร่างกยายพยักหน้ารู้สึกด้วยใจปกติอย่างนี้เลยถือจะใช้ได้ทำใจคลึมืืืมไมืไืืืนะืืืืืืืื ใช้ใจที่ปกตินั่นแหละไปรู้กายนะหรือถ้าคนไหนดูจิตได้แล้วก็ดูจิตไปเลยถ้ายัางดูจิตสับสนอยู่เอาเริ่มที่กายก่อนก็ได้เดี๋ยวก็เห็นจิตดูกายแล้วทําไมเห็นจิตน mm hmm. ก็จิตเป็นคนดูกายะแต่หลวงพ่อไม่ไม่บอกเราไม่สอนพวกเราว่าให้ไปจงใจดูจิตนะรู้สึกไหมร่างกายมันถูกรู้ลองขยับซิขยับ ร่างกายมันถูกรู้เนี่ยที่เคลื่อนอยู่เนี่ยถ้าจะถามต่อไปก็อใครรู้ไอคนที่รู้นั่นแหละคือตัวจิตแต่ไม่ต้องหามันทำไมไม่ต้องหามันหลวงปู่ดูลเคยสอนหลวงพ่ออถ้าใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจออย่างเราจงใจไหนจิตอยู่ไหนจิตอยู่ไหนเรากำลังใช้จิตนี่แนะไปหาว่าจิตอยู่ที่ไหน นะเหมือนพวกที่ใส่แว่นเนี่ยแล้วแว่นใส่ตรงเนี้ยแว่นอยู่ไหนวะ่าไม่เจอนะใช้จิตไปสแสวงหาจิตก็ไม่ได้เพราะงั้นหลวงพ่อถึงบอกรู้สึกไหมร่างกายมันของถูกหลุไม่ได้บอกเลยนะว่าเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตมันอยู่อีกอการหนึ่งนะสังเกตให้ดีนีมันอยู่ข้างบนนะมันมองลงมาเนะี่ยเราอย่าสนใจใตัวนี้ทันทีเลยไอ้ตัวที่ดูนะเนี่ยพอสนใจตัวดูเลยนะคราวนี้ยจิตจะติดสมถะ ที่แก้ยากที่สุดเลยนะไปเพ่งตัวรู้เนี่ยต่อไปพอคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่จะจับตัวรู้ปุ๊บเลยแน่นอย่างนั้นเลยหนะลวงพ่อเคยพลาดไปจับเที่ยงแทบจะตีกับหลวงพ่อคืนเลยหลวงพ่อคืนบอก ไ, ไปดูอะไรตรงนี้นี่จิตมันอยู่ทางนี้แล้วก็เอาวะเอาะจับเข้แก้เป็นปีเลยกว่าจิตจะเป็นธรรมชาติ เห็นที่สอนของเราเห็จิตต้องเป็นธรรมชาติจิตต้องเป็นธรรมดาจิตเครียดเครียดไม่ต้กินหรอกพอรู้เรื่องไหมแส่หลวงพ่อถอนใจอีกทีไหมเห็นไหมใจคลายแล้วรู้สึกไหมหัวเราะนะใจคลายใช้ใจที่ผ่อนคลายนี่แหละมารู้กายมารู้ใจตัวเองนะถ้ารู้กายก็เห็นร่างกายเป็นหัวเราะนใจเป็นคนดูอยู่นะร่างกายเป็นหัวเร้อนค่อยๆดูไป ร่างกายที่หัวล้อมถูกรู้จะไปก็เห็นร่างกายไม่ใช่เราหรอกเห็นท่องแท้นะั้นจะเห็นนก็ทั้งห้จิตที่เป็นคนรู้นะเดี๋ยวก็เป็นคนรู้เดี๋ยวก็เป็นคนคิดนพะราไม่เที่ยงเหมือนกันค่อยๆฝึกไปแต่ถ้าใครดูจิตได้แล้วก็ดูจิตไปเลยนะไม่ต้องย้อนไปดูกายแต่ถ้ายังดูจิตไม่รู้เรื่องนะดูกายไปก่อน ดูกายเพื่อให้เห็นจิตหลวงปู่มั่นสอนอย่างนี้ดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมยากไหมสอนอย่างยากก็ได้สอนอย่างยากทีแรกก็ต้องมีธีราสัญญาหมายรู้สภาวะธรรมเหนื่งเหนื่ง เมื่อจิตจำสภาวธรรมได้แม่นแล้วสติจะเกิดเองเมื่อสติเกิดแล้วเนี่ยก็ฝึกใ จ, ใจิตใจจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปไปทางอายตนาทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิน่นรสผพทพะเป็นรูปนี่รูปสิบชนิดแล้วนะฟังแล้วงงดีไหม งินอย่าฟังเลยไปกินข้าวดีกว่าเดี๋ยวกินข้าวไม่ลงเนี่ยธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องสับเทคนิคมากมายทำไมธรรมะมีภาษาบาลีเยอะก็พระพุทธเจ้าจใช้ภาษานั้นในการสอนนะเมื่อตกมาถึงยุคของเราเราไม่รู้ภาษาบาลีเราก็ใช้ภาษาที่เรารู้นี่แหละสอนธรรมะกันใช่ไหม แต่ว่าต้องอ้างอิงได้ถ้าจะอ้างอิงนะเล่ประ e n c e ได้ว่าตัวนี้คือภาษาบาลีว่าอย่างนี้แต่เวลาเราลงมือปฏิบัติไม่ต้องไปสนใจมันหรอกภาษาบาลีว่าอย่างไรทําไม้ได้ก่อนก่อนหลวงพ่อบวชนหะลวงพ่อไปอภิธรรมโชติกะนะที่วัดมหาธาตนะุไปขนตำราอภิธรรมมาเยอะเลยกล่าวว่าเราภาวนานะ ได้สบายใจแล้วเราจะหันมาอ่านจะดูสิมันเป็นยังไงพอพอนาไปนะบวชได้ 3, 000, สามภาษา้ก็มาดู ى, พิธรรมถยมันก็เหมือนกันเลยวะเพนะีแต่แต่ก่อนเราเรียกชื่อไม่เป็นเท่านั้นเองอนะย่างพี่ถีจิตอะไรเงี้ยก็เห็ น, เ ห, นเห็นอยู่จิตมันทำงานเป็นช็อตชๆๆชอช อ, ชอนะเห็นจะยากตรงไหนนยะให้ไปสอบตอนนี้สอบได้ไหมไม่ได้ลืมสอบ <c oughs> เดี๋ยวก็ลืมแต่ของที่เราเห็นด้วยใจแล้วเนี่ยไม่ลืมแต่ภาษาที่ถ่ายทอดลืมมันเป็นบัญญัตนะิของที่รู้ด้วยใจแล้วไม่ลืมฝังอยู่ในใจข้ามภพข้ามชาติเลยนะเห็นถ้าเราเคยฝึกเจนใจเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้เนะยลืมไปเกิดมาชาติใหม่ลืมไปช่วงหนึ่งนะ พอมีอารมณ์ที่รุนแรงมากระทบพบใจจะดีดตัวขึ้นเป็นผู้รู้เองเลยขึ้นมาได้เองเลย ใ, ใจมันจำค้ามภพข้ามชาติส่วนให้จำตำลับตำลาเนี่ยพอสอบเสร็จก็ลืมแล้วละ่ะจริงบัเงิน <c oughs> เรียนด้วยใจเอาไปกินข้าวได้แล้วนี่หมดนะครับ